Thank mm -hmm. you. กนวิธีแก้ทุกโดยพันเนกปิ่นมุตุกันบทที่หนึ่งความเบื้องตน้นขอความสุขความเจริญจงมีแข่ท่านผู้ฟังเมื่อพรรษาปี2495อกาคือปีลายนี้ผมได้รับเกียรติจากทางสมาคมให้มาแสดงปาฐกถาเรื่องหนึ่งที่สมาคมนี้คือเรื่องจิต ซึ่งหวังว่าท่านผู้ฟังหลายท่านในที่นี้คงจะเคยฟังหรือเคยอ่านหนังสือเรื่องที่ผมออกชื่อมานี้แล้วความจริงการแสดงปาากถกาเรื่องจิตนั้นผมคิดว่าได้ทำธุระเสร็จสิ้นไปแล้วคือแสดงจบเรื่องเรียบร้อยตามที่วางโครงไว้ไม่ได้ขยักเอาไว้เป็นภาคหนึ่งภาคสองแต่อย่างใดครั้นอยู่มาอยู่มากรรมการของสมาคมนี้ได้ไปหาผมที่บ้าน ขอให้มาแสดงปาฐกถาเรื่องจิตภาคสองคือต่อจากที่แสดงไว้แล้วอ้างว่ามีผู้สนใจกันมากอยากฟังภาคสองต่อผมก็งงไม่รู้ว่าทางสมาคมจะเล่นแบบไหนเสียแล้วเรื่องเดิมไม่ได้ทําต่อไว้แต่จะให้ต่อมันจะสนิทกันหรือพูดกันไปพูดกันมาเมื่อจะให้ต่อจริงๆก็ตกลงต่อก็ต่อ ถ้าจะเปรียบตามเรื่องผมเหมือนคนขับรถไฟท่านผู้ฟังเหมือนคนโดยสารเมื่อได้นําท่านผู้โดยสารล่องลงมาจากเชียงใหม่จนกระทั่งเข้าเทีย่ยวชันชลาสถานีหัวลําโพงแล้วผมคิดว่าทุระของผมเสร็จเท่านั้นแต่ท่านผู้โดยสารอยากให้นําทางต่อไปอีกเมื่อมันสุดทางแล้วการนําต่อไปก็ต้องเป็นการนําเที่ยวในกรุงเทพ เพราะฉะนั้นเส้นทางต่อไปนี้จึงเอาแน่ไม่ได้อาจจะออกทางสามแยกเจริญกรุงก็ได้อาจจะออกทางสาลาแดงคลองเตยก็ได้และไปๆไปอาจจวนไปเจอสถานีสามเสนบางซื่อที่ท่านผู้โดยสารพบมาแล้วเมื่อปีกลายก็เป็นไปได้ตามผมไปเรื่อยๆก็แล้วกันป้าตะกัตถะเรื่องนี้ตั้งชื่อว่ากลวิธีแก้ทุก เรื่องจะดําเนินต่อไปอย่างไรเชิญท่านผู้ฟังติดตามต่อไปผมขอรับรองในชั้นนี้แต่เพียงว่าการติดตามฟังปาจกถาเรื่องนี้จะทําให้ความทุกข์ของท่านลดน้อยลงทุกคราวที่มาฟังพอเลิอกออกจากที่ประชุมเดินกลับบ้านท่านจะรู้สึกตัวเบาชอบกลตอนผู้รับก่อนจะเข้าสู่กลวิธีแก้ทุกข์ ใครจะขอทบทวนข้อความบางตอนที่แสดงไว้ในเรื่องจิตสักเล็กน้อยพอเชื่อมความกันในเรื่องนั้นได้แสดงไว้ว่าตัวเราคนหนึ่งๆนงนี้ประกอบขึ้นด้วยส่วนใหญ่สองส่วนคือส่วนร่างกายกับส่วนจิตใจพูดง่ายๆคือกายกับใจสองอย่างนี้รวมกันจึงเป็นคนร่างกายเป็นส่วนวัตถุคือประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุเป็นธาตุสด เนื้อสดสดหนังสดสดมีประสาทพิเศษอยู่คนละห้าประสาทคือ 1. จคัคคูประสาทใช้ดูรูปร่างของสิ่งต่างๆได้ 2. โซตตประสาทใช้ฟังเสียงต่างๆได้ 3. าคานาประสาทใช้สูดดมกลิ่นต่างๆได้ 4. ชิวหาประสาท ใช้ลิมรสต่างๆได้ 5. กายประสาทใช้สัมผัสสิ่งต่างๆได้ประสาททั้งห้านี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายติดอยู่กับร่างกายทีนี้ส่วนจิตใจเป็นธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งสิงอยู่ในร่างกายของคนที่ยังไม่ตายทุกคนคนละดวงจิตนี้เป็นผู้คิดเป็นผู้นึก ประสานกับประสาททั้ง5โดย2วิธีคือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับประสาททั้ง5นั้น1บังคับใช้ประสาททั้ง5 1, 1ประสาททั้ง5นั้นแต่ละอย่างเป็นเพียงธาตุแต่ละเอียดมากจนสามารถใช้การได้ดังกล่าวแล้วแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยจิตเป็นผู้รู้ถ้ายกจิตออกเสีย ประสาทเหล่านั้นก็หมดประสิทธิภาพทันทีผมได้กล่าวเปรียบเทียบไว้หลายประเด็นว่าร่างกายเหมือนเรือนจิตเหมือนคนอยู่ในเรือนดังนี้บ้างร่างกายเหมือนรถจิตเหมือนคนขับดังนี้บ้างและอื่นอื่นอีกท่านที่ต้องการทบทวนรายละเอียดกรุณาหยิบหนังสือปาทกถาเรื่องจิตขึ้นอ่านอีกครั้ง เพราะถ้าจะพูดให้กว้างขวางในที่นี้ก็จะทําให้เวลาสําหรับคนวิธีแก้ทุกขเหลือน้อยเกินไปตอนยอดปรารถนาเป็นที่ทราบกันแล้วว่าตามธรรมดาของจิตย่อมมีความนึกคิดมีความต้องการอยู่เสมอการเคลื่อนไหวของจิตนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวไปตามความต้องการ หรือจะว่าการเคลื่อนไหวของจิตที่แท้ก็เป็นความต้องการอยู่ในตัวก็ได้เช่นต้องการจะนอนต้องการจะลุกต้องการแปลงฟันต้องการจะล้างหน้าต้องการจะรับประทานอาหารจนกระทั่งต้องการฟังปาฐกถาว่าให้กระชั้นในขณะนี้เองจิตของท่านก็เคลื่อนไปตามความต้องการอยู่ทุกขณะ คือต้องการจะฟังดูซิว่าต่อจากคำนี้ไปปาถกจะพูดคำอะไรและจิตของผมก็เหมือนกันย่อมเคลื่อนกระแสความคิดคืบหน้าไปเสมอว่าพูดคำนี้แล้วต้องการจะพูดคำนั้นๆต่อไปบางขณะท่านอาจคิดว่าตนเองไม่มีความต้องการอะไรเช่นขณะกำลังนั่งทอดอารมณ์สบายๆข้าวก็อิ่มแล้ว น้ำก็อิ่มแล้วมีใครถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างเราก็ตอบไปทันทีว่าเปล่าไม่ต้องการอะไรเลยนี่ท่านหยิบเอาอาการชั้นนอกของจิตขึ้นมาตอบแต่ถ้าตรวจดูความรู้สึกของจิตอย่างละเอียดแล้วในขณะที่ท่านไม่ต้องการอะไรนั่นแหละจิตของท่านก็กำลังต้องการคืออย่างน้อยที่สุด ก็กำลังต้องการอยู่เฉยๆหรือต้องการไม่ให้ใครเอาอะไรมาให้อีกลองสังเกตดูให้กระชั้นจะเห็นว่าแท้จริงความคิดของจิตย่อมเป็นความต้องการอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังคิดจิตก็ยังมีความต้องการอยู่ตราบนั้นความต้องการนั้นถ้าพูดเป็นศัพทเป็นแสงก็เรียกว่าความปรารถนาทีนี้ ความต้องการหรือความปรารถนานั้นแม้คนเราจะต่างจิตต่างใจที่เรียกว่าน่าจิตตังบางคนปรารถนาจะดูหนังบางคนปรารถนาจะดูละครก็แล้วแต่แต่เมื่อเพ่งผลแห่งความปรารถนาของทุกคนแล้วก็คือปรารถนาความสุขเป็นดุดเดียวกันพระนักเทศชอบแสดงว่า ความสุขเป็นยอดแห่งความปรารถนาของคนทั้งปวงก็นับว่าเป็นการแสดงที่ค้านไม่ได้เลยทำไมท่านจึงว่าความสุขเป็นยอดแห่งความปรารถนาก็เพราะว่าคืนชื่อว่าความปรารถนาแล้วมันไปสุดยอดที่ความสุขสุดตรงสุขนั่นเองไม่ว่าใครจะปรารถนาอะไรปรารถนาจะนั่งก็ขอให้ได้นั่งเป็นสุข ปรารถนาจะนอนก็ขอให้ได้นอนเป็นสุขปรารถนาจะกินก็ขอให้ได้กินอย่างเป็นสุขคือมันไปสุดยอดที่สุขชั้นที่สุดแม้จะเข้าตารางก็ยังขอให้ได้อยู่เรือนขังที่สุขสบายหรือแม้จะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขบางคนอาจคิดว่าบางคนปรารถนาทุกใส่ตัวก็มีอย่างเช่นคนที่กำลังด่ากัน หรือต่างฝ่ายต่างทุบตีกันชุลมุนดูเป็นการเจตนาทมในสิ่งที่นำทุกข์แต่ความจริงทั้งสองฝ่ายอยากสุขด้วยกันทั้งนั้นคือในขณะที่เขาด่าอยู่นั้นเขาเห็นว่าการที่ตนได้ว่าคำเจ็บเจ็บแส บ, บแซบกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันเป็นความสุขที่เขาด่าก็คือด่าเพื่อให้ตัวเองสุขนั่นเองที่ตีเขา โชคต่อยเขาก็ อ, อยากสุขทั้งนั้นคือเห็นว่าการที่ได้ต่อยเขาจังๆนั่นแหละเป็นความสุขของตัวโดยในนี้เราจะเห็นได้ว่าความปรารถนาของคนเรานั้นสุดยอดอยู่ที่ความสุขจริงๆแต่ที่ว่าสุขๆนี่หมายถึงความสุขในรสนิยมของผู้นั้นเองคนขยันทํางานอาบเหงือ่อต่างน้ําก็อยากสุข คนเกจคร้านงานการไม่ทำก็อยากสุขคนกินยาอายุวัฒนะให้อายุยืนก็อยากสุขคนกินยาพิษเพื่อให้ตัวตายก็อยากสุขตํารวจวิ่งไล่ผู้ร้ายก็อยากสุขเพราะสุขของตํารวจอยู่ที่การจับผู้ร้ายได้ฝ่ายผู้ร้ายวิ่งหนีตํารวจอย่างไม่คิดชีวิตก็อยากสุขเพราะสุขของผู้ร้ายอยู่ที่หนีตํารวจได้พ้น แม้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้รบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องอยากสุขทั้งนั้นพวกเหนือก็คิดว่าสุขที่ตีพวกใต้ให้แตกพวกใต้ก็คิดว่าสุขอยู่ที่ตีพวกเหนือให้แตกพลนที่สุดก็ฟาดกันแหลกอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่ทุกวันตกลงว่าความสุขเป็นยอดปรารถนาของคนจริงๆ ตอนพื้นเพของชีวิตก่อนที่จะศึกษาต่อไปถึงวิธีแก้ทุกข์ซึ่งเป็นที่หมายหลักของเรื่องโปรดพิจารณาถึงพื้นเพของชีวิตของคนเราเสียก่อนพื้นเพของชีวิตจริงๆคือความทุกข์ไม่ใช่ความสุขความทุกข์เป็นพื้นเป็นของเดิมส่วนความสุขเป็นของจรเป็นของมาใหม่หาได้ทีหลัง พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงพฤติการของมนุษย์ว่าสังขารทุกแปลตรงตัวว่าท่องเที่ยวอยู่ในทุกและตรัสถึงสังขารร่างกายของมนุษย์ว่าทุกขพัณฑ์แปลว่ากองทุกตกลงว่าชีวิตของคนเราทุกคนตกอยู่ในกองทุกแล้วโดยกาเนิดแต่ที่เราได้พบเห็นความสุข วระได้ในบางขณะนั้นเพราะความสามารถของเราคือสามารถดับความทุกข์ลงได้เป็นคราวๆเปรียบให้เห็นที่ว่าชีวิตมีความทุกข์เป็นพื้นนั้นเหมือนกับโลกนี้มีความมืดเป็นพื้นคือสภาพของโลกแท้ๆ ท, ที่เรียกว่าพื้นเพเดิมของโลกจริงๆคือความมืดไม่ใช่ความสว่าง ทำไมจึงรู้ว่าพื้นเพเดิมของโลกคือความมืดก็เพราะว่าโลกนี้ถ้ามันอยู่ลำพังของมันล้วนๆไม่มีอย่างอื่นมาช่วยเลยมันก็จะมีแต่ความมืดไม่ต้องมีอะไรทำให้มืดมันก็มืดเองสิ่งที่มันเป็นได้เองอย่างนี้เรียกว่าพื้นเดิมสภาพเดิมการที่โลกมืดก็หมายความว่ามันตกอยู่ในพื้นเดิมของมันนั่นเอง ที่เราได้พบแสงสว่างก็เพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำลายความมืดลงเราก็ได้พบแสงสว่างปริมาณเท่ากับความมืดที่ถูกทำลายลงเช่นขณะ น, นี้พระอาทิตย์ขึ้นมาทำลายความมืดเสียเราจึงได้พบแสงสว่างพอหมดแสงอาทิตย์ความมืดก็เล่นงานเราอีกเช่นเวลากลางคืนความมืดมันหุ้มตัวเราหมด ถ้าเราขีดไม่ขีดขึ้นเราก็พบแสงสว่างเท่าที่แสงไฟจากก้านไม่ขีดจะทำลายความมืดลงได้แต่ถ้าเราจุดเทียนไขขึ้นแสงสว่างจากเทียนไขก็ขับไล่ความมืดไปได้ไกลกว่าก้านไม้ขีดยิ่งถ้าจุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นสักหนึ่งดวงความมืดก็ยิ่งถูกขับไล่ไปไกลแล้วก็หมายความว่าเราได้พบแสงสว่างมากเท่านั้น ทีนี้ถ้าแสงไฟเรารี่ลงความมืดก็รัดตัวเราเข้ามาอีกที่ว่ามานี้ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นการต่อสู้ระหว่างชีวิตกับความทุกข์ความทุกข์เป็นพื้นเดิมของชีวิตถ้าเราสามารถปราบความทุกข์ลงได้เท่าไหร่เราก็ได้พบความสุขเท่านั้นเช่นเดียวกับการทำลายความมืดแล้วได้พบแสงสว่างดังกล่าวแล้ว โดยในที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการทําลายความทุกข์กับการสร้างความสุขเป็นงานอันเดียวกันคือ ท, ทําทีเดียวได้ผลสองอย่างได้ผลทางทําลายทุกข์ด้วยได้ผลทางสร้างสุ ข, ขด้วยเหมือนเราก่อไฟขึ้นในยามกลางคืนย่อมเป็นการทําลายมืดด้วยสร้างแสงสว่างด้วยพร้อมกันพื้นเพของคนเราคือทุกข์ แต่ทีนี้เราเกิดไม่ชอบทุกข์คือไม่ชอบพื้นเพย์เดิมของตัวเองแต่ไปชอบความสุขซึ่ง น, น, นานๆจึงจะมาเยี่ยมเราสักครั้งมันก็เลยทุกข์หนักเข้าไปอีกเปรียบเหมือนว่าคนบ้านเดียวเมืองเดียวกันเราไม่รักเกิดไปรักคนต่างบ้านต่างเมืองซึ่ง น, น, นานๆเขาจะมาหาเราสักครั้งมันก็เลยทุกข์ทุกข์ที่รอคอยเขา ปลาเกิดในน้ำแล้วชอบอยู่ในน้ำก็สิ้นเรื่องเพราะมันชอบพื้นเพเดิมของมันนกเกิดบนยอดไม้แล้วชอบอยู่บนยอดไม้ก็สิ้นเรื่องเหมือนกันเพราะมันชอบพื้นเพเดิมของมันทีนี้ถ้าปลาเกิดกลิบน้ำอยากได้อยู่บนยอดไม้หรือนกเกิดเกลียดยอดไม้อยากลงไปดำอยู่ในน้ำยุ่งละสิ ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้คนเราเกิดในกล่องทุกข์แต่ไม่ชอบทุกข์ไม่อยากอยู่กับทุกข์เกิดจะไปอยู่กับสุขมันก็เลยทุกข์หนักเข้าไปอีกกลายเป็นความทุกข์ถึงสองชั้นทุกข์ที่เกลียดทุกข์และทุกข์ที่อยากได้สุขตอนวิธีแก้ทุกข์สองแบบ ความรู้สึกเกลียดทุกข์เป็นความรู้สึกตรงกันของคนทั่วไปคือเกลียดที่จะให้ตัวเองทุกข์เมื่อเกลียดแล้วก็มีการทำลายหรือการแก้ตามวิธีที่ตนเห็นว่าเป็นการเปลื้องทุกข์ได้ดีที่สุดวิธีแก้ทุกข์นั้นพอจะสรุปได้ว่ามีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบโลกกับแบบธรรมตอน แบบโลกกลบวิธีแก้ทุกข์แบบโลกคือแบบชาวโลกนิยมใช้กันตามความรู้สึกข้างฝ่ายโลกล้วนๆไม่คำนึงถึงฝ่ายาศาสนาเลยโดยทั่วไปใช้วิธีกลบความทุกข์ไม่ใช่ทําลายทุกข์ไม่ใช่ให้ทุกข์หมดสิ้นไปเพียงแต่กลบทุกข์ไว้ความสุขที่ได้จากการกลบทุกข์จึงเป็นความสุขชนิด เพนเพเหมือนกับความสุขที่เกิดจากกันเก่าคือคล้ายๆกับเราเป็นหิตขอโทษเห็นจะเคยเป็นด้วยกันแทบทุกคนหิตที่มันขึ้นตามง่ามมือนะ่ะเวลามันเป็นแล้วมันคันบางทีคันมากจนนอนไม่หลับที่มันคันนี้มันเป็นความทุกข์คือทุกข์เพราะคันแล้วเราทำอย่างไรเราก็เก่า พอเราเกาเกาเข้ามันก็หายคันเกิดเป็นความสุขสุขดีกว่าไม่เกาความสุขอย่างนี้เรียกว่าสุขเกิดจากการเกาเป็นความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวมันก็คันอีกเราก็ทุกข์อีกแล้วเราก็เกาอีกหมายความว่าเราต้องคันคันเกาเกากันไม่รู้จักสิน้นครั้นเกาเข้ามากๆเลือดก็ออก เลยกลายเป็นแผลส่งไปอีกการหาความสุขทางโลกส่วนมากก็ใช้วิธีเก่าเมื่อวานนี้เสียใจเอาเล่าเก่าไว้วันนี้กลุ้มใจเอาหนังเก่าไว้แล้วพรุ่งนี้รำคาญจุกจิกหัวใจก็เอาไพ่เก่าไว้พวกเล้ายาหนังละครโดยที่แท้ก็คือเครื่องเก่าทุกข์ เหมือนเล็บมือที่ใช้เกาหิดไปที่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเล็บไม่ใช่ยาที่จะทำให้หิดหายหนังละครก็ไม่ใช่ยาแก้ทุกข์ไม่ใช่ทำให้ทุกข์หายเป็นแต่เพียงเครื่องกลบทุกข์คือสร้างอารมณ์อย่างหนึ่งขึ้นให้หลงลืมความทุกข์ไปชั่วคราวเหมือนสร้างความเจ็บขึ้นให้ลืมความขันเท่านั้นสมมติว่า คนที่มีหนี้ติดตัวรู้สึกเป็นทุกข์ใจที่ถูกเจ้าหนี้รบกวนทวงถามแกจึงไปดูหนังขณะที่กำลังดูหนังอยู่นั้นลืมเรื่องหนี้สินหมดเลยแม้ทุกอื่นก็ลืมเรื่องค้างค่าชาบ้านเรื่องเข้าสารหมดเรื่องสตังไม่มีลืมหมดแต่พอหนังเลิกออกจากโรงหนังพอผลประตูโรง ความทุกข์เหล่านั้นก็รุมเข้าถึงหน้าถึงหลังอีกเพราะความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันรอคอยอยู่ที่ประตูโรงหนังเท่านั้นรวมความแล้วการแก้ทุกข์แบบโลกยุติอยู่แค่การกลบทุกข์ไม่ใช่การแก้ทุกข์ถ้าจะเปรียบกับเรื่องหิตก็อยู่เพียงการเก่าเท่านั้นตอนแบบธรรม แก้พระพุทธองค์ทรงเห็นการไกลพระองค์ทราบว่าเพียงแต่เกาหิตไม่หายแน่ๆจึงทรงสอนชาวโลกว่าอย่าพอใจอยู่ในความสุขซึ่งเป็นเพียงการกลบทุกข์ไว้เท่านั้นให้ขนขวายหาความสุขให้ดีกว่านั้นถ้าจะเทียบกับคนเป็นหิตก็คล้ายกับว่าพระองค์ทรงสอนว่าอย่าพอใจอยู่ในความสุขที่เกิดจากการเกานั้นเลย จงพยายามรักษาหิตให้หายจะเป็นกินยาหรือทายาก็แล้วแต่เถอให้หิตมันหายจริงๆแล้วจงพอใจความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหิตโน่นคือสุขที่เกิดจากการไม่ขันทีนี้ขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกเทียบกันดูสิว่าความสุขที่ชาวโลกนิยมกันกับความสุขที่พระพุทธองค์ชีบ้บอกอย่างไหนจะดีกว่ากัน อย่างไหนสุขสนิทกว่ากันคือความสุขที่เกิดจากการเกา่ากับความสุขที่เกิดจากการไม่มีหิตเลยไม่คันและไม่ต้องเกา่าท่านเห็นว่าอย่างไหนควรจะมีค่ากว่ากันพิจารณาแล้วโปรดตัดสินเองข้าพเจ้าเชื่อ ว, ว่าถ้าให้ท่านผู้ฟังต่างคนต่างตอบโดยเขียนคําตอบลงในกระดาษไม่ให้ดูกัน ไม่ให้ถามกันแต่ผลก็จะปรากฏว่าทุกท่านให้คำตอบตรงกันคือเลือกเอาข้างฝ่ายไม่เป็นหิดเลยดีกว่าที่จะมาคันทีเก่าทีไม่รู้จักเสร็จสิน้นหรือจะมีท่านผู้ใดยอยากจะเป็นหิดไว้เก่าเล่นสนุกๆบ้างถ้าท่านรักที่จะมีความสุขตามแบบพระพุทธเจ้าส่งชี้ให้ คือความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหิดเลยไม่ต้องทันและไม่ต้องเกาก็โปรดศึกษาต่อไปและโปรดอย่าพึ่งชิงท้อใจตีตัวตายก่อนไขว่าขบ a j เ จ, จะพาท่านแบกกรดเข้าป่าทิ้งลูกทิ้งเมียเสียเพราะในการแสดงต่อไปขเจ้าคิดเขาโครงไวเพียงแต่ว่าจะเสนอวิธีแก้ความทุกข์ เกี่ยวก่ชีวิตประจำวันอย่างเราๆท่านๆเท่านั้นเป็นยากแก้หิดด้านหิดเปื่อยธรรมดาธรรมดานี่เอง